ผู้เป็นบุตรแห่งนางสมณะผู้โกนผมอาศัยอยู่ในมาริการามพร้อมด้วยบริษัทปริพาชกประมาณห้าร้อยช่งางไม้ชื่อปัญจังคะไปยังมาลิการามสนทนาปราศัยกันอุค้าหมานะปริพาชกกล่าวว่าตนบัญญัติบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมะสี่อย่างว่าเป็นสมณะสมบูรณ์ด้วยกุศลมีกุศลยอดเยี่ยมบรรลุความเป็นเลิศ